พระประธานแต่บรรดาประสงค์สาวนักธรรมให้ทราบเรื่องงานของทางศาสนางานทางศาสนากับงานทางโลกต่างกันเรามาบวชในพระพุทธศาสนาก็เท่ากับเรามาสมัครงานทำงานในทางพระพุทธศาสนา สถานที่ทำงานพระพุทธเจ้าก็ทรงชี้บอกไปเรียบร้อยวิธีการทำงานหลักวิชาในการทำงานพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่หมดไม่มีความบอกกล้องหลักวิชาแห่งการทำงานก็ได้เจา ก, กัารประธานพระโอวาท คะแนนต่างๆเพื่อให้รู้วิธีการของการกระทาของตนในขณะเดียวกันก็เป็นภาคปฏิบัติยือในขณะที่เสน็จฟังพระโอวาทของพระพุทธเจา้าการฟังทมจากพระโอษฐ์ของพระองค์นั้นเป็นการถ่ายทอดออกมาจาก โรงงานที่บริสุทธิ์ได้แจกพระองค์ท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วด้วยความบริสุทธิ์และ่ายเททมออกมาจากความบริสุทธิ์จึงเป็นธรรมที่ถูกต้องแม่นอยัาเรียกว่าสวดคาตัดธรรมพระองค์ตรัสเองตรัสไว้ชอบทุกแน่ทุกมุมในหลักวิชาวิธีการปฏิบัติอะไรการสั่งสอนมื่อ ผู้เข้ามาสมัครงานก็ได้ปฎิญญาณตนเพื่อจะทำงานถืออะไรเป็นเร่องขึ้นเบื้องต้นกับพุทธังธรรมังสังฆันนงชนังกระฉามก่อนบรระชาวพุท ม, มุติเราได้ปริญญาณตนต่อพระสงฆ์เป็นที่เริ่ม้อยแล้วด้วยยติกระตุ้นกรมในการทรงอ น, นุญาต ครั้งสุดท้ายแล้วพระประชายะาหมายถึงรพระพุทธเจ้าที่เป็นองค์ประธานก่อนหาประธานพระโอาวาทหลักพิชาอันสำคัญให้แก่บรรดาผู้มาสมัครงานด้วยความเป็นภิสูุนั่นอย่างไรบ้างเริต่ต้นท่านสอนเรยย่อไว้ก่อนหาเจซาโลมานักห้าดันตาตะจู นี่เรียกว่าอนุโลมตันโจตตะโจดันตานาาัก้าลูมาเกสซานี่เรียกว่าปฏิโลมคือถอยกลับย้อนหน้าย้อนหลังทำไมท่านจึงสอนอย่างนั้นนี่แหละเรื่องของงานท่านท่านสอนเรื่องงานให้ทำอย่างไรสถานที่ทำงานภายในตัวเองเรียกว่างานในครอบครัว ก็ได้แก่การพิจารณาเชืสารุ่มนัขาทันตาแโจูเป็นต้นจนกระทั่งถิงอาการสามยุทนี้เรียกว่างานในครอบครัวงานในบ้านที่ในงานนอกบ้านทั้งส่ทรงสั่งสอนบลุขมูลและเชีนาสนังมิทราบจะปรับประชาตัดเถียยาวัชชีบางมูหัวข้ออะไรอยู่บรรพบุรุษหมดแล้วให้หาอยู่ตามลุขมูลลมไม้ชายป่าทายเขาตามท่าน เงื่อมผาซอกห่วยที่ไหนก็แล้วแต่ขอให้เป็นที่สงบมีเรียกในการประกอบงานของตซึ่งมีอยู่กับตัวดังที่ท่านประทานได้แด้ว่าปีสาลมาเป็นต้นนี่เป็นงานไปที่ไหนต้องทำงานชิ้นนี้แต่ไม่ใช่งานเล็กน้อยเพราะที่จะทำด้วยความประมาทเพ้พลาด ซับเข้ามักง่ายต้องทําอย่างจริงจังนะครพระองค์ท่านสอนทั้งสถานที่ทํางานว่าที่ใดเป็นที่เหมาะงานของพระก็คืองานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่เป็นงานของพระแท้เป็นงานเพื่อจะแสวงหาสมกับความแสวงหาความสุขจริงๆงานนี้เป็นงานเพื่อความสุข คืองานรื้อถอนทุกที่เป็นสาเหตุมาจากสมุทัยด้วยความรุ่มหลงเพื่อจะให้เป็นความรู้ความฉลาดขึ้นมาด้วยมากได้แก่สติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นเครื่องประกอบการทำและแก้ไขใุกทุกๆท่านทราบไว้ว่างานอันใดเป็นงานอันแท้จริงของพระงานเหล่านั้นไม่ใช่เป็นงานอันแท้จริงของพระหากเป็นความจําเป็น เพราะโลกนี้เป็นโลกที่จะต้องทำ ง, งานทั้งภายนอกภายในแต่ไม่ให้ถือเป็นความจำเป็นสำหรับพระวันงานนั้นเป็นงานสำคัญจนลุมนื้อลุ ม, มตัวไปด้วยงานนั้นๆที่นอกไปจากงานอันจำเป็นได้แก่งานทางศางานนี้เมื่อทำสำเร็จแล้วมีความสุขอย่างไพ่บุ์พระพุทธเ จ, จ้าก็ทรงทำงานนี้สำเร็จ โดยเจนณนาปานสติก็เรื่องของกายตามพระจริตของพระองค์ที่ถูกต้องในทางนั้นทางนั้นมาก็สอนกรรมฐานสี่สิอย่างเพื่อจริตนิสัยของแต่ละรายอะไรเอ๊ะมีมันยังไงกันทำมากัดทั้งคลา ง, งคืนอยูอ่ทุกวันก็เม็นนีน ไอ้นี่มันย ไ, ไกันวาเลยมาทำลายทางทแสดงทำไปแล้วแหละอย่างนี้งให้ทราบว่างานของจำเป็นของท่านนั่นคืองานคืออะไรอย่าลืมตัวอย่าลืมงานถ้าลืมตัวแล้วก็ลืมงาน ทำไมท่านจึงสอนให้พิจารณาร่างกายร่างกายนี้เป็นจุดแรกทห่งความกังวลแั่งความรับผิดชอบแห่งความยึดถือยึดถือสมบัติเงินทองเองของต่างๆนั้นยังเป็นภายนอกกายกายนี้ยึดถือจนถึงกับว่าเป็นตนไปเลยนะเป็นเราเป็นของเราเป็นหมดทั้งร่างไม่ได้คิดว่าใจเป็นอย่างหนึ่งกายเป็นอย่างหนึ่งซึ่งพอที่จะแยกแยะ ก, กันได้เลย ห น, นีสาบันทนเราทั่วไปเป็นอย่างนั้นเมื่อร่างกายทุกส่วนนี้เป็นเราเพราะฉะนั้นจึงต้องสอนลงตรงนี้ที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นรากเป็นแก่นสาคัญของกิเลสตัญหาอวิชชาท่านจึงสอนที่นี่ให้รู้ที่นี้การสอนอารมณ์ปฏิโลมก็เพราะการสอนซ้ําๆการให้พิจารณาซ้ําๆซักซั ด้วยความตรดจ่อต่อเนื่องกันเป็นลำดับเพื่อเข้าใจชัดเมื่อเข้าใจชัดก็ค่อยเบาลงไปโดยลาดับอุปทานค่อยเบาลงไปรู้ได้เห็นได้อย่างชัดเจนอุปทานที่ยึดมั่นถือมั่นในส่วนร่างกายนี้ก็หมดเออกไมไม่ได้เรื่องหรือวันนี้ มันมเกิดเป็นเหตุเต็กระแตตอนนีท้ท่านผู้จัดการท่านท่านสอนจริงจังพระก็ก็จริงจังทท้งนั้นไม่ไม่มีพระกาฝากแบบสมัยทุกวันนี้ ทุกวันมันมีตะกาฝากนะอืมแอบอยู่ในศาสนานี่แหละบวชข้ามาเพื่อจะละความโลภเลยกลายเป็นเรื่องสั่งสมความโลภขึ้นในวงศาสนาโกงกันข้ามมันกลาถึงคนข้าศึต่อศาสนาธรรมไปเมื่อเป็นที่นั้นจะไม่เอยากว่าเข้ามาทำลายศาสนาธรรมได้อย่างไงโร ด, ดก็โกรธง่ายท่านสอนในละความโลภความโกรธความหลง นักฆ่ารู้สุกจะสั่งสมทางอันนี้มากอย่างลึกลัก้ำแล้วก็เป็นค่าศึกต่อาศาสนาอยู่นั่นเองน อ, นอกจากเป็นค่าศึกต่อเพศทั้งตัวแล้วยังเป็นค่าศึกต่อาศาสนาอยู่ด้วยโดยที่เจ้าตัวจะสนใจหรือไม่สนใจไม่มูแต่ความจริงเป็นอย่างนั้นสอนไม่ให้โลกให้หละให้ละ แล้วยิ่งสังสมขึ้นมามันก็โลกเลยมังสังสมโก็ใครว่าไม่ได้พระวิถิสูงก็คือพระนี่ถ้าไม่ใช่พระตั้งแต่ปฏิบัติธรรมะจิตใจทั้งตนเป็นอย่างนั้นแต่ต้องไม่ได้วิสิทธิพ์พนสูงกว่าฟ้านถ้าพระมุ่งต่ อ, อจะทำแล้วได้ทั้งนั้น ใครจะตำหนิก็ได้ใครจะชมก็ได้ท่านจะเลงถึงหลักเหตุผลและให้อภัยเสมอด้วยเหมือนทบทำพระพุทธเจ้าสอนไม่อย่างนั้นจริงๆริงเดี๋ยวเดินตามหลักธรรมอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนะมันกล้าเป็นกล้าฝากกัหมดแล้วใช้ศาสนาทําตัวเป็นกล้าฝากสร้างเนื่อสั่งตัวเป็นเทวทัตอยู่ภายในศาสนานะการสร้างก็ไม่สร้างตามหลักธรรม คืยอาการทุกสิ่งทุกอย่างความรู้ความเห็นไมไ่เป็นไปตามหลักตามหลักธรรมนี่เราสร้างเนื้อสร้างตัวในทางที่ปิดอยู่ในวงศาสนาก็ขึ้นเดอยวกับกาฝากมันอาศัยต้นที่มันเกาะตรงนั้นอ่ะเป็นอาหารและเป็นดอกเป็นใบของมันเป็นผลของมันเองแล้วมัน ด, ดูต้นไม้ต้นนั้นจนตายนี่แหละทำศาสนาให้เศร้าหมองให้ เสียาหายร่มตจมไปได้เพราะความเป็นกางฝาของพุทธบริษัทธ์แล้ก็ อ, อย่างยิ่งของพระทั้นเราคำหนึงเสมออย่างนีน้หาอะไรก็ต้องเจอนั้นเรื่องไรพราะอยู่กับคำว่าหาสแสวงหาอะไรมันก็เห็นอันนั้นมีอันนั้นเพราะสิ่งอย่างนี้มีอในโลกเซาะคิดไปเรื่องความโลภมันก็เกิดความโลภขึ้นมา คิดไปทางให้โกรธมันก็โกรธขึ้นมาคิดไปทางให้หลงมันก็หลงขึ้นมาผลก็คือความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นคิดละความโลภทําไมจะละไม่ได้ละความโกรธละความหลงเป็นความคิดชอบสัามาทิฏฐิความเห็นชอบทําไมจะละไม่ได้เพราะพุทธเจ้าทรงละมาแล้วสาวกทั้งหลายทรงละมาแล้วด้วยอํานาจแห่งธรรมนี่ครับทั้งนั้นทําไมพวกเรามาปฏิบัติจึงไม่ ได้ผลแล้วไม่มีปรากฏผลขึ้นมาบ้างมีเหลือถ้าความรู้ความเห็นความประพฤติเปีนเกียวประหลักทําแล้วมันก็มีแต่เรื่องที่เหลือเท่านั้นเองทั้งเป็นเหตุเป็นผลของมันขึ้นมาภาในกายวาจาใจของเราผู้ปฏิบัติถ้าปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วมะขุนิพพานจะอยู่ที่ไหนเคยได้ยินไหมว่ามะขุนิพพานอยู่ต้นไม้ต้นนั้นอยู่ในเขาลูกนี้หรืออยู่ใน นั่งอยู่ในก้นบ่อหีือในท้องมหาสมุทรอยู่ในทาอากะไม่มีเพราะสิ่งเหลนั้นไม่ใช่พูดที่จะทรงความดีความชั่วทรงความสุขความทุกข์ไว้ได้เหมือนสัตว์แลมนุษย์เราเพราะอย่งยิ่งสัตว์มนุษย์ที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างสัจธรรมมีอยู่ที่นี่สัจธรรมคืออะไรทรุกแน่ยก็ อ, อยู่ที่กายที่ใจของพวกเรานี่สมุทัย ความคิดในทางที่ผิดอันเป็นการสังสมกิเลสขึ้นมาเรี๋ยวบอกความคิดในแง่กิเลสเนี่ยก็มีอยู่ที่นี่นีรอดพิความดับทุกข์ด้วยอานาจของมักมีสมาพิสิทิ์เป็นต้นสมาธิที่เป็นที่หมดเป็นที่สุดก็อยู่ที่นี่เนี่ยมันอยู่ที่อื่นใดแต่การสอบแสังหาที่เหมาะสมนั้นหรอประกอบความภาคความคามภาคเพียรนี้เป็นความถูกต้องในงามแต่จะไปที่ไหน ก็ไมให้ลืมงานที่ตนทํามาทำลงที่จุดใดอันนี้เรียกว่ากรรมฐานกรรมมาแปลว่าการกระทําฐานนะให้ทําลงที่นี่มีฐานที่ตั้งแห่งการงานด้วยความสอบธรรมของพระผู้ต้องการความหลุดพ้นจากทุกข์ให้พึงทําลงที่จุดนี้นี่เป็นฐานเป็นที่ตั้งอันเหมาะสมแล้วว่าการเวทนาจิตธรรมสติประฐานนี่ฟังสิการเวทา น, นาการเวทนาสติปัฏฐานเวทนาไมปรัชนาจิปัฏฐาน กิตกานปรัินาติดฐานทงานในปรันาเขาติดฐานอยู่ที่นี่ไม่ดอยู่ที่ไหนเสียง ม, มันดังเกินกว่าที่เราจ ะ, จะสูมสมะ้มันได้นปังป็ังกลูกภาษาอะไรไม่ได้มาเจตนาอะไรับเราภาษาเอาเพื่อแกความโม่ของเรานี่นแห โง่มันบนหัวใจพิเรศถึงฉลาดแต่เราทําเราให้โง่ไม่ใช่เจีบมันโง่นะโง่แล้วมันจะบนหัวใจสัตว์โลกทั่วโลกธาตุนี่พิเรศมันโง่มันจะอยู่บนหัวใจคนเหรอ่พิเรดมันฉลาดแต่มันทําเราให้โง่ง่ายๆไปนั่นเหมือนคนฉลาดเอาแล้วดับเปียกคนโง่นั่นเอง จิเรศมันฉลาดมันรดัดตะเพียบเราตลอดเวลาจะเดินไนกลมนำสมาธิภาวนานหาอุบาลกระซิบกระซาบให้เกิดความทอถอยอ่อนแอกระดูแข็งแขงมันก็อ่อนไปเหมือนเนื้อเหมือนหนังอความกระซิบกระซาบความกล่อมของกิตเลศมันกล่อมไม่อย่างสนิทเพราะเคยกล่อมโลกมานานโลกใครจะว่าใครฉลาด เมื่ออยู่ใต้หน้าของกิเลสแล้วโง่กันทั้งนั้นตามส่วนออกจากปูนเหนือี่เด็สไปแล้วนั่นจะเรียวกว่าผู้ฉลาดถึงไม่ฉลาดทํา ง, งานการอย่างอื่นจะตามแต่ฉลาดถอนตนออกเป็นอิสระได้าจากอาํานาจกิเลสที่เคยกดขี่มันานแล้วก็ได้บำรุงมาสุขมาคลองหายใจดังพระโพธิจารยและสาวุท่านนั่นทงท่านฉลาดจริงอันที่เรียกว่าจอมปราศ จอมปางนั้นแล้วทำเรื่นี้ออกมาจากจอมปาสอนพวกเราให้ฉลาดทำไมถึงโง่พยายามเราไม่แย่เราแล้วมันถอดถอนเราอะไรสให้ใครถอดถอนศาสนาเป็นของทุกคนพระพุทธเจา้าประทานไว้แล้วใครหลักกรรมมาคือปฏิบัติ มันเป็นความสุขความเป็นเลยเจตตนก็น้องเข้ามาสู่ตนสาสนธรรมก็เป็นสมบัติของผู้นั้นตลอดถึงผลที่เกิดขึ้นจากการิปฏิบมมัติก็เป็นสมบัติของตนนี่พระองค์ไม่ได้มาแบ่งสันต์ส่สสวนเราจากพวกเราแม้แต่น้อยสมบูรณ์เต็นที่แล้วสอนพวกเรา ใจดำเนินตามมัชฌิมาปฏิปทานไม่สงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานเพราะไม่อยู่ในสถาน ท, ที่ใดสิ่งที่กีดกันมรรคผลนิพพานก็คือเรื่องของทุกข์กับสมุทยัยอันเป็นสัตว์ธรรมไฟถูกมกัดอย่างที่จะบุกเบิกทางเตียนโล่งไปเพื่อถึงมรรคผลนิพพานก็คือมรรคเนี่ย นักหรืออะไรสรมมาพิธฐธรรมมาสังกโปองค์ปัญญาคือความฉลาดเป็นผู้นำหน้าที่การงานทั้งหลายจะเป็นทางวาจาทางกายความประพฤติาาก็เราถึงความคิดอ่านอะไรก็ต้องมีปัญญามีสติเป็นเครื่องปกครองหรือควบคุมอยู่เสมอสมมารกรรมตัปของพระก็ ค, ค, ค, คือการเดินเป็นกลมนั่งสมาธิภาวนา มีเดียวกับสํมมาคมนตต่างการงานชอบชอบยิ่งชอบเพื่อถอดถอนวิเลศอาสมะงานของพระมีแต่งานถอดถอนสิ่งที่เป็นก้าวสิทต่อใจออกทั้งนั้นไม่ได้มีงานใดเนี่ยใดแห่งธรรมที่สอนและให้ทาเพื่อการั่งสมวิเลศในมากแปดนี้ให้เราสอนเพื่อถอดเพื่อถอนทั้งนั้น ส้มารกรรมันตากก็ดำมเนี่ยเพียงดำริก็ให้ชอบเบยียบเบียงตนนะผู้อื่นดำริเพื่อจะออกจากเครื่องผูกพันสันอย่างนั้นมาวาจาเขากราวชอบกาชอบหลักของการกราวชอบก็มีสิบประการเขาเรียกว่าสันเลยกับธรรมแปลว่าวการพูด ถ้ารลบถึงเรื่องการขัดการพิเลตหรือการแก้ไขขอดถอนพิเลกเนี่ยก็มีอภิชาตาขึ้นต้นเป็นผู้มากน้อยฉันโดะลองลงมาก็ยินดีตามสิ่งที่เกิดที่มีขึ้นในตัวปัจจัยพยาธิมากน้อยเสร็จยินดีเท่าที่มีเท่านั้นส่วนอภิชาตานั้นมากน้อยแม้จะมีมากเพียงใดก็เอาแค่ไน้อยเท่านั้นเดื เหมือนกำนกต้่งมีแต่ปีกกับหางเท่นั้นไปกินต้นไม้ต้นไท้ที่ไหนผล ไ, ไม้ที่ไหนอื่นทอดแล้วมันไปไม่ได้หาบได้หามไปไปแต่ตัวน้ำมากับมันตะเดินตรงกลมนั่งสมาธิภาวนานทำการงานชอบ ที่อะไรบ้างามันก็มีราสมาวาจากราบชอบที่อธิบายก็จักคู่อปิชตาสันโดษอสังขคเนกาไม่คุกขือกรหมูกับคณะกับใครต่อใครเเกินเหตุเกินผลเฉพาะอย่างยิ่งไม่คุกขี่มีความสงบมีตนเป็นคนคนเดียวเอกโกวะมีตนเท่านั้น สังฆคณนกาไม่พูดคือวิเวกตาชอบสงัดวิเวกสถานที่ใดเป็นที่สงัดมันจะส่อแสงหาอยู่ในสถานที่นั้นวิริยาลำภาความเพียรให้สุดต่อเนื่องกันอยู่เสมอสติจะได้มีกำลังและจิตจะได้มีความสงบ ไม่ถูกกิเลสความผุ้สารานลำคาญเหยียบย่ำทำลายเสียทั้งวันทั้งคืนเดินๆดนินั่งนอณต้องอาศัยนียาลำคาสี น, นปูดทีหนึ่งสีนแม่นระวงังความเคลื่อนไหวทั้งตนอยากให้เราทำอีกต น, นหน้าสมาธิทำจิตใจให้มีความสงบร่วมเย็นจนเป็นฐานของจิตมีความแน่นหนามั่นคงขึ้นมาภายในตัว ปัญญาทุก ย, ยามคิดอ่านใจตรองทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องกับตนกับวิมุตต์เนี่ยอยู่ความหลุดพ้นวิมุตติญาณทันะ์ะความรู้เจี่ยงชัดในความหลุดพ้นของตนนี่สันเดชะธรรมฉีประกาศเป็นที่หลักของการพูดสัมมาวาจากล่าวชอบอย่างนี้นะมันจะมีกล่าวทุกเรื่องการบ้านการเมืองการได้การเสียการอะไ ร, รโลคของศาลเรื่องของพรักไม่เกี่ยว นี่เป็นคําเป็นเป็นงานของพระคือพูดชอบอ น, นสมาชีวเลี้ยงที่ชอบส่วนภายนอกก็ได้แจกบิณญาโตปกโชนังแต่แค่บินสรบาบด้วยกําลังปีแฉ่งของตนมาเลี้ยงที่นี่คืองานอันชอบของพระส่วนร่างกายที่ส่วนจิตใจ อย่านําอารมณ์ที่เป็นภยัยประจิตใจเข้ามาจะเป็นพิษต่อใจให้นำธรรมคือสติปัญญาซึ่งเป็นธรรมหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความชุ่มเย็นมีความสงบมีความใสสว่างกระจ่างแจ้งเ้ื่อำนาจแห่งธรรมคือสติปัญญามีความเป็นเครื่องหมุนหลังหล่อเลี้ยงอยู่เสมอมีเรียกว่าเลี้ยงคีดชอบนะเลี้ยงขิดชอบภายใน แยกออกอยางนั้นเ้วยการปฏิบัติต้องมีแยกมีแยกเราจะไปหน้าเดียวไม่ได้เม็ดเด่มหนึ่งมีทั้งสังทั้งคมทั้งข้างทั้งทั้งตายทั้งด้างใช้ได้ทั้งนั้นคือฉลาดถ้าปิปัญญาคลิกแทงได้ทุกแงกทุกมุมที่จะทําประโยชน์ให้แก่ตนแต่ทางความเพียรเอาแงไหนคิดไปหอย่างสมมาอาชีวะจะกินยังคิดชอบไม่มีแต่ว่าเป็นมิตรบาตรมากินอืม เลีงคิดชอบมีจิตนี่มันแสวงหาอารมณ์ก็เวลาการินกลาหารก็ยังเห็นได้ไปบินส ม, มารณ์มาถันมโนสังเกต อ, อาหารก็ได้แต่ความคิดความตุงต่างๆระว่างความคิดที่เป็นไยัยมันจะเข้ามาทําลายจิตใจเป็นความคิดเป็นธรรมที่จะเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความชุ่มเย็น ย, ยินเลี้ยงเปลี่ยนสายธรรม ม, มาวจมากเพี้ยนชอบ นาที่ดันก็บอกแล้วตะกี้นี้เอาจิตกงตัวเลยเพียอนัจะติประธานสนี่นี่กายเวท น, นาจิตทำก็อยู่คำเล่าหยุอเพียนละอาโมทอะไรนั่งทงกักว่าแล้วถ้มาสติตั้งไว้ชอบชอบยิ่งก็คือตั้งไว้กับตัวจนการเป็นสัมปัตยัญญาความรู้ตัวขึ้นมาสติเมื่อ ม, ม, ม, มีความสืบต่อกันอยู่ โดยส ม, ม่ำเสมอก็กลายเป็นสัมปัตยัญญะขึ้นมาได้ความระลึกแล้วระลึกเล่าระลึกอยู่ได้เรื่อยจนกายเป็นสติสืบต่อเนื่องกันไปก็เป็นสัมปัตยัญญาสัมมาสมาธิจิตรวนสงบพาพสงบได้จริงๆจิตที่เคยขึ้นชั่นเมื่อรวมลงเป็นความสงบอยู่ภายในตัวแล้วเรีย ก, กว่าสัมมาสมาธิสมาธิที่ออกรู้นั้นรู้นี่ไป แดนฟ้าแดนสวรรค์นรกอเบกีที่ไหนนั้นไม่ได้ชอบมันต้องมีวิฉาสมาธิท่านที่ได้บอกว่าสัมมาสมาธิถูกกับผิดมันเป็นคู่กันนี่ลมักแปดท่านสอนมันสอนลงที่ใจเราไม่สอนที่ไหนพากันตั้งใจปฏิบัติเอาทามันจริงจังวิ ทำเป็นของจริงทําไมเรามาทําเล่นได้นับเอาวันเอาคืนเอาปีเอาเดือนมาเป็นมะพรุนนิพพานไม่ได้โลกนี้มันมีมือกับแจ้งมาตลอดการถ้าควรจะเป็นมะพรุนนิพพานด้วยการโดยสถานที่แล้วโลกนี้จะพ้นไปหมดนะแต่มันไม่เป็นเส้นน้ำมันอยู่กับความภาคเทียนอยู่กับงานของเราต่างหากไม่อยู่กับปีกับเดือนกับวันกับคืนได้พอเราจะเป็นนับอํา เขมาบวกเป็นมารผลผนิพพานแล้วบวชมาเท่านั้นปีท่ น, นี้ปีแล้วเดินดุกรมได้เท่านั้นนาทีได้เท่านี้ชัว่วโมงแต่ผลไม่ปรากฏทําไมจะไม่ปรากฏสิ่งที่จะไม่ปรากฏก็คือสติเผลอถ้าสติอยู่ดีๆอยู่แล้วนั่นแหละมันปรากฏปรากฏยังไงปรากฏไม่เผลอความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาถึงกิจจะไม่สงบก็ไม่บ้าแพร่ความแพรไปไหนเป็นความรู้สึกตัวอยู่ภายในตัวนี่ก็เป็นผลอัน เป็นภาค พ, พื้นที่ให้เป็นผลมันใดญ่โตขึ้นมาต้องเป็นมาจากนี้ก่อนเพราะนั้นท่านเป็นสอนให้รักษาสติให้ดีรักษาใจด้วยสติให้ดีสัญญาก็พิจรารณาถึงแบบอันนี้จังทุกขังนาตามีอยู่ที่ไหนเต็มอยู่ในคายและใจของเราเนี่เเกิดจะเปิดทางคือคำว่าอัตตามันปิดตาของเราจะจมิดมืดบอดทั้งหมด อะไรอะไรก็ว่าเป็นตนอะไรก็ว่าเป็นเราตุ้ของเราไปหมดมันปิดตา<ม> ต, ะตะวันน้อยดวงมันก็ไม่เห็นพอถูกคำว่าอัตตาความสาคัญว่าตนมาปิดบงังไปหมดท่านจึงแยกออกด้วยอ น, นิจจังทุกขังอนตตาให้เห็นทัดพิจารณาอันนี้มันไม่เที่ยงอ น, นี้มันเป็นทุกข์อันนี้เป็นอนตตาถือเป็นตนเป็นตัได้ที่ไหนหแยกออกท่านบอกนะ<อ>เพื่อจะได้เบิกทางจิตใจเรารู้ได้เห็นเข้าใจไห ทำทั้งหลายท่นก็สบายสมามิาที่ยวกับมั น, นปัญญาในเบื้องต้นร่มลุกค ล, ลุ ก, กคลานเป็นธรรมดาแต่เมื่อฝึกหัดเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าติดต่อสืบเนื่อ ง, องนั้นไปเดยลำหนักเรกาเป็นอัตโน ม, มตัติได้ถ้าลงสติปัญญาไปในตัวน้มันแล้วยิ่็ จ, จะหลบซ่อนอยู่ไหนก็เถอะ ไม่พ้นวิสัยของสติปัญญาไปได้เลยละเอียดแค่ไหนก็ตามบันทันได้หมดนั่นแหะเราจะเลยรู้เรื่องของจิตรู้เรื่องของธาตุของขันว่าอะไรเป็นอะไรอย่างชัดแจ้งหรือหายสงสัยในเวลาที่ปัญญาออกเดินนั่นขั้นสมาธิก็พอทราบได้ความสงบนี้เป็นจุดแห่งความสงบคือจิตจิตสงบอันนี้เป็นส่วนร่างกายพอทราบแต่ไม่ชัดพอจับเงื่อนได้แต่พอถึงขั้นปัญญา แยกแยกแออกทุกเนี่ยทุกมุมเห็นประจับแล้วหายสงสัยไปโดยลำดับรูปประจับแต่ว่ารูปแล้วเวลาพิจารณาเขา้าจริงรูปกรหม่อมทุกกายของเราทั้งทั้งท่อนนี่แหละทั้งก้อนเนี่ก้อนหอนังการนะดูแล้วมันกับประจับแต่ว่าเท่านั้นเวทนาก็เกิดขึ้นดีสุข ก, ก, ก็สุขเกิดขึ้นก็ดับไปทุ ก, กเกิดขึ้นดับไปเฉยเฉยเกิดขึ้นดับไปทั้งทั้งส่วนร่างกายและจิตใจเพราะเวทนาทั้งสามเนี่ยมันเกิดได้ทั้งภายในย ทั้งร่างการและจิตใจมันมีแต่เรื่องเกิดเรื่องดับของมันเท่านั้นแล้วจะถือว่าเราวาเป็นของเราได้ไหมสัญญาความจําแล้วเอาความจํามาเป็นตนเป็นตัวที่ไหนได้อืจําแล้วกว็ลืมลืมแล้วก็จําจําแล้วกว็ลืมมันอยู่อย่างนั้นตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งตอนนี้ต้องเดินแบบนี้แบบจําแล้วลืมลืมแล้วจำ ม, มันอยู่นี่ระหว่างฐานความคิดความปรุงมันอยู่เฉยได้เมื่อไราใจเรากําหนด รูด้ด้วยความมีสติมันจะผลักดันออกมาให้เราคิดมีลักษณะอะไร แ, แปลกๆให้เราคิดเพราะตอนนั้นถูกปิดไว้มันออกมาไม่ได้ปิด่ยนไปด้วยสติมันจะเป็นลักษณะผลักดันออกมาให้เรารู้เพราะมันแยกสติก็ทันด้วยไม้มันตรงอ่ความปรุงนี่แหละเป็นตัวก่อเหตุสาคัญอ่สังขารสังขารก็ทราบแล้วว่าคือความปรุงแก่จิตวิญญาณก็คือความรับทราบในเวลา ถึงภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องกับอริตนะภายในเป็นรูปมาเกี่ยวข้องกับตาเสียงเกี่ยวข้องกับหูนั่นมีความรู้ในขณะที่สิงนั้นเราสัมผัสและดับไปในขณะที่สิ่งสัมผัสนั้นผ่านไปความรู้นี้ปรากฏตัวขึ้นมาในขณะที่สัมผัสเท่านั้นเกิดกดับเกิดดับเช่นเดียวกันผมเรียกทิ่งที่เรียกยวก่านี่จังทุขงังหน้าตาแน่จิตจริงจิงไม่ดับรู้อยู่ตามธรรมชาติธรรมชาติของตน มีอะไรมาสัมผัสมาสั ม, ม, สมัก็รู้อยู่อย่างนั้นนี่คือจิตแต่จิตเมื่อมันยังมีอะไรแทรกอย่งนั้นมันก็ยังเป็นไตรลักษอยู่เหมือนกันรูปเวทนาสัญญาสังขารมียานเป็นไตรลักษแล้วายก็ยังต้องเป็นไตรลักษพ์ทอมีสบส่วนสมมติอยู่ภายในคือกิเลสละเอียดแทรกอยู่ภายในใจิตใจท่านเป็นต้องสอนให้พิจารณาจนกระทั่งถึงใจเพียงขนาดในขั้นนี้เราก็ทราบทันแล้วว่าขันทั้งห้าเป็นอ น, นิจจ่า จากใจรู้ได้อย่างแจ็ชั้นถึงขั้นเก้าสเก้าเ็นความความเข้าใจเรื่องภาดเรื่องขันกับใจว่าต่างกันอย่างไรบ้างพอแยกแยะอวิชชาทึงมันกลมกลืนเรื่องับใจออกได้แล้วด้วยปัญญาอ น, นุมัติทีนี้ก็กระจ่างเลย 100% ็หมดนี่คือกองสมมติแหน่รู้แล้ว กองสมมุติก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารอยึ่งยางนี่เลยคือกองสมมตุติจิตที่หลุดพ้นแล้วจากความสมมุติจากความยึดมั่นถือมั่นในขันและในสิ่งทั้งปวงนี้คือิมตุตดหนักจริงอ๋อความหลุดพ้นหลุดที่ตรงนี้เองไม่ได้หลุดที่ไหนหลุดที่มันผูกพันกันอย่างนี้เองแก้ความผูกพันออกได้แล้วมันก็หมดเป็นอิสระภายใ น, ใ น, ในใจิตใจ น, นี่ร้อยเปอรเซจ อ้าวร่างกายมันจะเจ็บจะปวดจะไข้จะเป็นอะไรรู้กันอยู่ตามหลักธรรมชาติทั้งมันแต่ไม่ทําจิตใจให้กับเพื่อมผุน ม, มัวเพราะทุกเวทนามากน้อยที่เกิดขึ้นภายในขันเนื่องจากกิตนั้นหมดแล้วซึ่งเวทนาทั้งหลายบรรดาพุทธินาโสภเมื่อ บ, บรรลุ ถ, ถึงทำขั้นสูงสุดแล้วไม่มีเวทนาทางใจอ้าวใครจะว่ามีก็ว่าสิเวทนาทางใจมีไหมใจนั้นเป็นมมุดแล้วสมมุติคึดทุกทุกทุ ก, ทก เฉยๆจะชอบไปเกี่ยวข้องนั่นปรามังสุขขังนั่นหมายถึงสุขในหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์ต่างหาไม่ได้เป็นสุขเวทนานี่สุขเวทนาทุกเวทนาอุเบกขาเวทนานี้มีอยู่ภายในการทานนาเท่านั้นเห็นดูเฉยๆไม่เจ็บไม่สุขไม่ทุกข์ท่านเรยกผู้อุเบกขาเวทนามีความทุกข์กายเรียกว่าทุกขเวทนามีความสุขกายก็เรีย ก, กวา่ว า, ส, าวสุขเวทนามีเท่านี้เวทนาทั้งสามอยู่กับ ภาตงนั้นแหละอยู่กับรูปกายไม่มีทางที่จ ะ, ะเข้าไปแทรกใส่ได้การเจ็บไข้ได้ป่วยทุกทรมานมากเพียงไรก็ทราบได้อย่างชัดเจนว่าร่างกายนี้เพียบเต็มที่แต่ไม่มีคำว่าจิตนี้เพียบเต็มที่ พอจิตได้พ้นแล้วจากความกดทวงความเกี่ยวข้องในสมมุติคือส่วนร่างกายเป็นแต่เพียงว่ารับผิดชอบคนอยู่เท่านั้นเองโดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นเพราะรู้ตามความจริงรับผิดชอบก็รับผิดชอบตามความจริงเป็นธรรมดาไม่ได้เป็นรับผิดชอบด้วยอุปาทานยึดมั่นถือมั่นโดยเหตุ น, นั้นพระนกินอาหารสดจริงท่านจึงไม่มีทุกเวทนาดังที่พระพุทธเจ้าท่านเสด็จ จะไปปรินิพพานที่กุชินาราบอกพระถมนัดสั่งพระอ น, นุอ น, นปูรากทั้งคันนี่หน่อยเราวขาโคตเหนื่อยอาจะพักคําว่าโคตรเหนื่อยนี่หมายถึงพระชายระสังหาไม่ได้หมายถึงพระจิตของพระพุทธเจ้าทรงเหนื่อยมีจึงมีข้อที่จะแช่เยอะทําให้คนเข้าใจผิดกเยอะหลวงพุทธเจ้าก็ยงังยอมนับเสวยทุตเวสนา ทำไมเสยทำไมพระองค์ยิง่งว่าอ น, นุนาทังคาติเราจะพักผ่อนร่างกายเราเพียมากมัตังหน้าไมา้เราดื่มมันไม้ถึงว่าขันมันเพียมากขันมันต้องการน้ำตาขาคตอันแท้จริงคือบริสุทธิ์เป็นผู้พอแล้วโดยสมบูรณ์ไม่มีความต้องการกับสิ่งใดทุกเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยเป็นความรับทราบอยู่เท่านั้น ไม่มีทุกขเวทนาตัวใดที่จะเข้าไปเหยียบย่ำทำล า, ายท่าจิตของพระองค์ได้แล้วต่ว่าพระองค์เสวยทุกขเวทนาได้อย่างไรหากว่าพระพุทธเจ้าและสาวองยังมาเสวยทุกขเวทนาในส่วนธาตขันธ์อยู่แล้วก็ไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกกับพวกเราวิเศษที่ตรงไหนนั่นความวิเศษก็คือเหนืออยู่เหนือขันธ์แม้จะอยู่ในขันธ์ก็เหนือขันธ์ไม่ติดไม่ติดโดยหลธรรมชาติไม่ใช่ไม่ติดด้วยการบังคับเมื่อถึงขั้นผอนถอนแล้วเป็นขั้นศีลสมบูรณ์แล้วเป็น ตามหลักธรรมชาติของจิตจากนั้นเ้วเข้าใจอย่างนี้พระพิฆสุปไม่มีองค์ใดคําขึ้นชื่อว่าพระษิฆสุปแล้วจะเป็นผู้มารับสมุทเทเวทนามซึ่งมันเป็นเรื่องโลกโลกนี่กายเพียก็บอกว่าเพียเดินไม่ได้ก็บอกว่าไปไม่ได้เพราะมันหมดกำลังมันไปไม่ได้อแล้วไงมันเรื่องของขันเพียก็บอกว่าเพียทุกข์ก็บอกว่าทุกข์เพียก็บอกว่าเพียหิวก็บอกว่าหิวกระหายก็บอกว่ากระหาย มันเป็นเรื่องของขันทางนั้นเพราะสิ่งนี้ธรรมชาตินี่มีความบกป้องตลอดเวลาต้องการความเยียวยาความส่งเสริมบำรุงการจิตที่ถึงความพอแล้วไม่มีเรื่องนั้นอย่างนั้นจะเรียวกว่า บ, บริสุทธิ์ได้ยังไงตอนนั้นจะ เ, เพิ่มก็ได้แต่อันนี้ออกก็ได้นั่นก็เป็นเรื่องของโลกธรมธรมดาธรรมดาคือเรื่องอันนีั้นสังนัตสันเองไม่เรียกว่าพอไม่เรียกว่าคงเส้นคงวาคิดตบริสุทธิ์ต้องเป็นอย่างนั้น ทราบทัพท์ทัดไม่มีเงื่อนสืบต่อกับสินใดบรนอาสมมุติแม้แต่ะละเอียดแค่ไหนไม่มีอะไรที่เขาไปสืบต่อกับผิดได้เลยขาดว่าขาดตอนเรียกว่าตัดสะพานกันระหว่างสมมุติกับวิมุตต์ตั้งแต่ขนาดที่แต่สะลุหรือบรรทุกรุธนทำแล้วโดยเด็ดขาดนับแต่ขนาดนั้นไปเป็นอันว่าขาดกันแล้วปัมจุตินจับได้ว่ารักสัพท์ทำอรู่รึนับผิดชอบกันเท่านั้นกระโยชน์เพียงเท่านั้น นี <imen ode> ่เรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่ององสาวกท่านทำยังไงท่านถึงเป็นอย่างนั้นนี่อยู่ๆท่านก็น <men> <itt> <hurting> ได้เฉยไม่ต้องทําความภาพความเพียนหรือขี้เกียจท่านก็ได้อ่อนแอก็ได้เซ่อๆซ่าๆงงๆเขาๆก็ได้เลยท่านได้จะมาสอนพวกเราให้ฉลาดยังไงจะสอนคนให้มีความขยันหมั่นเพียรยังไงจะสอนคนให้มีความเข้มแข็งอังก็ต้องบอกว่าอ่อนแอก็ได้อ้าแล้วนอนทั้งวันก็นอน อือาจนหมอนแตกเก็ได้มานมนี้ค่ผ่ามัน เ, เป็นงนั้นจริงเพร่เราต้องสอนอย่างนั้นไม่สอนให้ฝึกผลประมานทนให้ให้ทนสอนอย่างนั้นนี่ที่เหลือเป็นกลัวทําแบบนี้คนที่มีความอุตสาห์พยายามคนมีความอดความทนคนมีสติปัญญาที่เหลืกลัวที่เหลือกลัวแต่ทำเท่านั้นไม่ได้กลัวอะไรนอกเหนือไปจากทํา เพรนั่นกิเลสเหยียบแหลกหมดถ้าเป็นธรรมี่เลสกลัวเฉพาะอย่างยิ่งสติปัญญาที่เด็ดกลัวมากมีคําภาคเลียรเป็นเครื่องหนุนแล้วนั่นแหละี่เด็ดกลัวสรรมารที่ถิสนธรรมะสิงคโปร์เป็นสําคัญกับสรรมารสติเป็นสําคัญมากเลยเดียวใ น, นการแกกิเลสปัญหาสาะทุกประเภทไม่นอกเหนือไปจากเครื่องมือเหล่านี้เลยนี่แหละที่นี่บอกมัดทีมาทันสมัย กิเลสจะเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลก็ตามเกิดขึ้นในสมัยปัจจุบันนี้ก็ตามเป็นกิเลสประเภทเดียวกันมัชฌิมาปฏิบัติธรรมมีสมาธิเป็นต้นสามารถที่จะตัดขาดในกิเลสทุกประเภทได้เช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลจึงเรียกว่ามัชฌิมาเหมาะสม่ลอดเวลาในการแก้ริดถอนกิเลสอย่างเรียลแยมเปไหนศาสนาทาไมรียลแมอยู่กับบุคคลผู้ขี้เกียจผู้อ่อนแอเท่านั้น ความขี้เกียจของมันแย่อยากเข้าใจว่าเป็นเรื่องอื่เรื่องใดเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นอืไม่ใช่เรื่องของธรรมถ้าหนูทาแล้วต้องฝึกต้องเข้มแข็งต้องอุตสาห์ต้องพยายามต้องฝืนกันเรียกว่าต่อสู้กันแต่การคล้อยตามการยอมตามกิเลสที่ไม่ไม่ใช่เป็นการต่อสู้กิเลยอือ<ม>เป็นการยอมจนนมานนการต่อสู้มันต้องฝืนกันด้วยมันขี้เกียจแล้วก็พยายามขยันว่าไงทุกก็ยอมก็ทนเอาบ้างดิการทํางาน ใครจะไม่ทุกข์ทุก์ได้เจ้าสงสลบถึงสาหมุนในพระประวัติตรงนั้นทุกข์จะไม่ทุกข์ขนาดสลบถึงสาหมนุนนะพระองค์ฝ่าท้าแตกพระองค์จับสูนแตกท่านาเห็นหมดปวดขันในความภาคความเพียรดูสิแล้วกี่เลชเขแตกไปด้วยอีกเหมือนกันนะเพระองค์สลบไหลถึงสาหมุนไม่ตายแต่กี่เดชตายเนี่ยเพราะความเพียรไม่ถอยเพราะจักุบาลจาับศูนย์แตกเพราะไม่นอนถึงสามเดือน เร่งความภาคความเพียรอย่างเต็มที่มันนอนสามเดือนพอพอตาแตกกิเลสก็แตกนั่นพระโสนะท่านประกอบความเพียรฝ่าท้าแตกกิเลสก็แตกตายไปเลยฝ่าเท้าเพียรแต ก, ก, กตอนนั้นเกี่ยที่เลกตายน่ะความเพียรท่านเตือนดูดิพวกเรามีใครบ้างฝ่าเท้าแตก ม, มีไหมนอกจากหัวแตกหัวแตกเพราะถูกกิเลสตีเอาตีเอาเอาันั้นมีเยอะ มีแต่ผ้าหัวแตกนะเพราะถูกค้อยิ่เลยความขี้เหยียดขี้ข้านความอ่อนแอความไม่คิดไม่อ่านอืเป็นเรื่องความซื่อสัาย์ที่เหลวตีเอาตีเอาตียอามีแต่ผ้าหัวแตกยิ่งเหลวมัไม่ได้แตกเอาที่เอาที่เหลวแตกมั่นี่อาไปไหนเอืาเอาอันนี้เราเป็นคนทั้งคนทําไมจะทำไม่ได้สาธารณะธรรมเป็น ทำที่เหมาะสมกับเราทุกคนสอนก็มักกวผลทําไมเราจได้แต่โมคะอูดโมคะตรีไม่เกิดประโยชน์อะไรเกิดมาหนักโลกนี่เฉยๆหนักตัวเรานั้นแหละถ้ากิเลสมีมากมันหนักมันอ่อนไปหมดร่างกายพอดีกระดูกแข็งแข็งมันก็อ่อนไปหมดพ้ากิเลสมากๆอ่อนเกลี่ั้งหมดไม่มีความเพิมแข็งถึงขังตึงตังอะไรเลยอันนี้ พุทธัทงสงังกะามีพระองค์ทร ง, งดาเนินอย่างไระถือพระองค์เป็นหลักยึดถือเป็นหลักตายแล้วยังต้องถือปฏิปทาด้วยเครื่องดาเนินพระองค์ดําเนินอย่างไรสังฆังสงังนะกะามีท่านดําเนินยังไงพระสงฆ์สามโกท่านปฏิบัติตัวอย่างไรจรึงปรากฏทําขึ้นมาให้เราทําสังสนะกถ า, านี้ได้ทํำแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความขี้เกียจที่ข้างความอ่อนแอะเกิดขึ้นเพราะความขยันหมั่นเพียรนักเอาเบาสู้เกิดขึ้นจากความเป็นนักรลกไม่ใช่เกิดขึ้นจากความแพ้ ่ น, นใครจะทรงมากสรงผลถ้าเราไม่ส่งมราจะฟังแต่ข่าวมรรคผลอิพานของท่านเนื้อ